ปุตตะการตัดไว้ชัดเจนมากแปดข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากถ้าไม่ได้แค่คี้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ตั้งคี้เป็นทางที่จะออกจากความทุกข์ด้วยแล้วทางตั้งแปดข้อตั้งแต่สมาธิแต่ถึงเรื่องสรางสิ่สมาสมาธิที่เราได้สวดนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่า เหลือวิสัยเลยนะมันเป็นเรื่องที่พวกเราสามารถทําได้เป็น ท, ทุกคนเพราะเรื่องอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องกายวาจาแล้วก็ใจเป็นหลักนะโดยเฉพาะเรื่องของใจนะเป็นสิ่งที่ที่สําคัญที่สุดแต่มันก็สําคัญกับกายวาจาด้วยนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งสิง ที่เกี่ยวเซลลุกามแล้วก็นำมรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราคนนั้นพระเจ้าท่านตัวไว้เลยว่าตราบใดถ้ายังมีคนจะิจะเดินอรเยมากมี อ, องค์แก่อยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหนันต์บางทีพวกเราเคยได้ยินว่าศาสนาของพระเจ้าจะมีอายุเพียงแค่ 5,000 ปีอันนี้ร่วงมาแล้ว 2,500 ปีนะเหลืออีกมาแค่ซึ่เดียวแต่จริง พระเจ้าจไม่ได้พยากรณ์ไว้เช่นนั้นหรอกนท่านตัดไว้โดยดักเลยว่าถ้าตาบใดโลกยังมีคนจจเจริญเจริญอวิชชาใน อ, นองค์แปดอยู่โลกนั้นจะไม่ว่างจากพาระอรหันต์จะกี่พันกีหมื่นกี่แสนปีถ้ามีคนยังทําอยู่ก็จะไม่ว่างแต่ถ้าวันนี้พรุ่งนี้ยังมีคนจเจริญเส้นทางนี้โลกก็ว่างจากพาระอรหันต์ตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่ใช่อยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่สถานที่ แต่อยู่ที่วิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนกันมากกว่าคื<ม>่วัตถุศาสตร์อื่นๆเลยก็รวมได้นะอยู่ถ้าวิถีที่ดําเนินในเส้นทางอันยิ่มากนี้ก็แสดงว่ายัางเดินถูกทางที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แต่บางทีพวกเราก็เห็นมันมีหลายข้อมีหลายเรื่องนะก็จะคิดว่ามันมากมายว่ามันยากแต่จริงพอทําไปแล้ว มันมันเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมดเลยนะมันมันแยกไม่ได้แบบว่าบางทีมันก็แยกได้โดยโดยภาษาโดยอาการแต่พอที่มันเจริญเข้าจริงๆแค่หนึ่งสนธิจิตเดียวที่มันเดินถูกทางมันก็รวมพร้อมไปทั้งทั้งแปดประการด้วยกันเลยนะมันไม่สามารถเรียกว่าบอกได้ว่าคืออะไร เหมือนตับเราปลูกข้าวนะทำนาปลูกข้าวามีองค์ประกอบหลายอย่างมากที่ทำให้ข้าวเจริญงอกงามจะเป็นดินดนะีดินเหมาะกับการปลูกก็ดีธาตุแร่ธาตุในอาหารดีน้ำพอดีบานะงครั้งมันไม่พอดีมันมากไปก็รู้จะกปล่อออกบางครั้งมันน้อยไปก็รู้จะเติมเข้า แดด ก, ก็ดีช่วงที่ปลูกก็ดีวิธีการปลูกก็ปูกต้องนะการเกี่ยวการเก็บการสีการตีมันดีหมดอันนี้ถึงจะได้ข้าวออกมาเป็นมาได้ข้าวเพื่อมันถึงข้าวอีกก็ถึงไม่ถูกต้องอีกก็ได้ข้าวที่ดีคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมาพร้อมกันนะแต่ว่าแค่บางทางั้งบางที่ก็ดินดีแต่ถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มี ก็ไม่ค่อยได้ข้าวหรือบางปีแดดไม่ค่อยมีมีแต่ฝนปฏิทินฝนก็ไม่ค่อยดีเท่าไรามันเนี่ยเดียวสิ่ง ต, า ต, าตา่างต่นี้มัน ม, มันเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าสำคันญจังหมดข้าวหนึ่งเมล็ดมันออกมันมันมีสิ่งประกอบแต่หลายอย่างที่ออกมาเป็นหนึ่งเมล็ดข้าวอะลิมัคหนึ่งอย่างก็เหมือนกันนะอะลิมัคทั้งแปดองค์นี่แหละนะ อ, อ, องประกอบต่างๆมาประกอบกันเจอกันะ ถ, ถ้าเราเดินอริยมรรคมักนะมก็จะได้อริยมรรคมันก็จะได้อริยผลนะมรรคก็คือผลทางหรือวิธีการนะผลก็คือผลสําเร็จจากการที่เราเดินถูกทางตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องเฉือยวิสัยนะเป็นเรื่องที่ก่อทาแล้วมันจะสําคันทั้งหมดมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ภายนอกเนขะ้าสู่ภายใน หือบางคนอาจจะเปลี่ยนจากภายในออกไปสู่ภายนอกก็ได้ก็แล้วแต่นะีมันจะเปลี่ยนแปลงนะคําพูดคำจาของเราให้ให้ถูกทางมากขึ้นนะบางทีเราก็คิดว่าอย่างเราเชื่อสิ่งข้อ 4, นะาาสี่นะมุสาวาตาม่างแค่ขาดไม่พูดปดก็คือการถูกถินแล้วมันก็ถูกในแง่หนึ่งนะแต่จริงมันเหลืออีกต้งว่าสามอย่างกนะารไม่พูดได้การไม่พูด คำหยาบหรือว่าตามไม่พูดต่อเสียตามไม่พูดเพิเจอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ตามไม่พูดพดแต่บางทีเราก็มักจะลืมนะลืมคำพูดโดยเฉพาะคําพูดเพิเจอร์อย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เราเรียกว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันต้องใช้ความคิดก่อนความคิดที่จะคิดเรื่องเพิเจอออกไปมันเลยออกไปเป็นคําพูดที่เพิเจอร์นะดันั้นถ้าเราเห็นอ้อเราจะรู้จักคารวมคำบัง ไม่ใช่เพียงแค่การเอาไม่ชูดทำลายคนอื่นไม่พูดทำหยาบเพรานั้นไม่ไม่พูดโกรเพรานั้ น, น, นแต่มันเปรวมถึงคําพูดที่ที่มันไม่ค่อยมีสาระมันก็จะค่อยๆลดลงหรือทางกายมันก็จะสํารวมระวงังไม่ทํำผิดสิ่งนั้งการ ท, ท, ท, ท, ทํำลายคนอื่นทําร้ายสิ่งอื่นการไม่รักทรัพการไม่ทรุดติดในต่างพวกนี้มันก็การสารวมระวงังไม่ทําไม่ดื่มหน้าเมาต่างๆมันก็จะ ก็จ ะ, จะมีมาดิจิตเนี่ยเพราะมันเห็นได้ว่าสิ่ ง, งต่างๆที่ทําตรงนั้นมันเป็นโทษเป็นภัยทั้งกับสิ่งอื่นด้วยแล้วก็ทั้งกับสิ่เองด้วยเพราะว่าทํำไปแล้วจิตใจมันเศร้าหมองนะทำไปแล้วคนอื่นก็เศร้าหมองเขาก็เป็นทุกข์ไปด้วยเห็นว่าโอ้โทษภัยโทษภัยตนี้นมันเกิดขึ้นจริงจริงมันไม่ใช่ตํางรอกดแห่งกรรมมามาเรียกว่าพิพากษรารให้ได้รับกฎขอ ง, องกรรมเท่านั้น จะมีเห็นว่าที่จริงกดกฎแห่งกรรมหรือว่าผลของกรรมเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าพอทําไปแล้วจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ปลอดโปร่งจิตใจไม่โล่งสบายมันเห็นตรง น, นี้เห็นแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าคุณควรแก้หรอกแต่คุณจะไปนหนักด้วยตัวคุณเองว่าแอ่สิ่งเนี้ทําไปแล้วเกิดเป็นความทุกข์คุณก็อยากไปแก้ไขด้วยตัวคุณเองนะแต่ถ้ากางจะทําอะไร ซึ่งต้องอให้คนอื่นมาชี้ว่ามันผิตว่ามันสูกก็ควรจะแก้ไขหรือว่าควรแก้ไขการจะทํานั้นก็ยังเรียกว่ามันยังไม่เกิดจากจิตตนนี่ของตัวเราเองนะแต่กนะารที่เราคอยเรียกว่าคอยหมั่นดูสัวเอ ง, องบ่อยๆนะมันไม่ใช่การแค่ดูเสียงแค่กายหรือวาจาที่กระทำไปเท่านั้นแต่มันจะเห็นถึงมนโนกรรมหรือว่าจิตใจที่มันเป็นต้นตอของทุกเรื่องทุกราว มันจะเห็นเรื่องของจิตที่มันแสดงอาการความรู้สึกแสดงอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกันในจิตพอมันเห็นนั้นนะมันก็มันก็จะสามารถทื่ว่ารู้จักเรียนรู้หรือบางทีก็เป็นการปรับปรุงควบคุ ม, คมหรือว่าพัฒนาจิตให้มันเรียกว่าให้มันสูขทาง ม, มากขึ้นนะวิธีการอันนะี้มันมันสัมพันธ์กันทั้งหมดแต่เป็นการเห็นที่สูขทาง เห็นว่าอะไรคือความทุกข์เห็นว่าอะไรคือการดับแห่งทุกข์นะบางทีเราเห็นนะหรือบางทีเรารู้จิตใจรู้ว่านี่คือทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์เช่นไรแต่การที่พวกเรามีสติมีสัมผชัญญะะแล้วก็เจริญอริยมรรคมองแฝดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วนะความทุกข์เกิดขึ้นตับกายแล้วความทุกข์เกิดขึ้นกับใจแล้ว วิธีการที่จะออกจากความทุกข์ของกายต้องทำเช่นไรวิธีการที่จะออกจากความทุกข์ของจิตของใจต้องทําเช่นไรมันเห็นแล้วก็มันรู้วิธีที่จะออกนะเหมือนคล้ายๆสมมติว่าเราเข้าไปในบ้านนะเข้าไปในบ้านเราก็รู้ว่าประตูทางออกมันอยู่ที่ไหนนะมันรู้ว่าจะเข้าอย่างไรมันรู้ว่าจะออกอย่างไร มันเรียกว่ามันไม่อับจนหนทางการที่เรามีปัญญานะเข้าใจสิ่งที่พระพุจาท่าสอนหะรือว่าเข้าใจธรรมะก็คือสารเนี่ยแหละการที่เรามีปัญญารู้หนทางออกจากความทุกขนะ์เราไม่ใช่หนทางหรือปัญญาอย่างอางื่นนะแค่เป็นปัญญาในการจะออกจากความทุกข์ให้ได้สินะ่งต่างๆนนี้มันก็สามารถออกได้จริงนะบางครั้งก็จะรู้สึกว่าออกได้บ่อย บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าออกได้ยากนะบางครั้งรู้สึกเว่านั้นเรียกว่ามันลาบากบางครั้งก็รู้สึกว่ามันง่ายนะแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเรามีประตูทางออกจากความทุกข์อยู่ทุกขนาดนะแต่เพียมแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเรียกว่ามีมีความตั้งมั่นพอมีความเพียงพอมีความเรียกว่ามีความระลึกเออ่ได้นะ บางครั้งเราอาจจะรู้แต่เราคิดออกมาไม่ได้เหมืนอนคล้ายความจําที่มันมันจำได้แต่พอ จ, จำมาใช้จริงมันมันจะลึก อ, ออกมาใช้ไม่ได้มันก็ต้องมาใส่อ์ประกอบต่างๆเนะๆนะี้ยเข้ามาประกอบกันแตจริงมักมีองค์แฝดทั้งหมดไม่สามารถแยกออกจากกันได้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยในขณะที่ที่จะเรียน ม, มันจะสมบูรณ์พร้อมกันไปทั้งหมด สมบูรณ์คล้องไปทั้งตายวายากแลปะปัจจัยมันจะสำคัญเต็มไปทั้งหมดถ้าเราจะเดินอริมักมีมองแฝดเนี่ยเรียกว่าเราเดินถูกทางที่พระพุทธเจ้าท่านเบิกทางไว้แล้วทางเส้นนี้นะันมันมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านต ร, รัรู้มันมีอยู่แล้วสตกิ่หรือว่ามันลบลุมรังนะรมันมีคนเดินเพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่คนที่ เดินทางเส้นนี้ก่อนแล้วก็เปิดทางให้กับคนอื่นๆนะหลังจากที่ท่านได้เดินก่อนนั้นได้เดินถึงปีนม้แล้วท่านถึงเรียกว่าที้หรือบอกคนที่อยู่กําหลังที่ยังไม่กล้าเดินหรือที่ยังไม่รู้ทางเดินที่บอกว่าทางเส้นนี้แหละมันสู่ความเ้นทุกได้ท่านมีหน้าที่เีค่ชี้บอกเท่านั้นพารู้คนอื่นหรือว่าบุคคลอื่นๆที่ เดินทางนี้ได้ขึ้นเดียวกันก็คือพอเดินนะเขาไม่ไม่ได้เดินถอยกลับย้อนกลับไปไปจุมมือคนอื่นมานะแต่ท่านบอกในจุดที่ท่านยืนอยู่ตำแหน่งที่ท่านอยู่นั่นแหละบอกว่ามาเส้นนี้มาเส้นนี้มาเส้นี้คล้ายๆเหมือนพวกเราเคยเดินป่าแล้วก็บางทีเราก็ตะโกนหากันแบบนี้นะเนาะบองทีเราไม่ได้ไม่ต้องไปย้อนจะต้องไปย้อนกลับว่าต้องเดินเส้นไหน จะพิจารณาว่าบอกตำแหน่งที่ที่เราอยู่ให้มันมีเสียงให้มีต้นเสียงแล้วเดี๋ยวคนที่เดินตามที่หลังแต่เขาก็าค่อยๆเดินไปตามเสียงนั้นต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันน ะ, นะการที่ผู้ที่เดินทางก่อนแล้วก็เหมือนกันเขาพิงแค่ส่งเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ปลอดภัยตำแหน่งนี้มันคมกว่า ผู้ที่ต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นคงต้องการความเป็นุกข์ก็ค่อยๆเดินตามตามเส้นทางนั้นไปเรืนะ่อยๆก็จะถึงขึ้นความเป็นทุกข์เนความปลอดภัยขึ้นเดียวกันเนะนีอริยมรรคเป็นหนทางที่สำคัญมากนี่อย่างให้เราทุกคนได้ได้จดจำใส่ใจในทั้งแปดข้อแล้วก็พยายามตรวจสอบตัวเองหรือว่าข้อไหนเราบกพร่องข้อไหนเราพอทํ า, าได้แล้วนะค่อยๆ เติมเต็มให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่สิ่ต่างๆนี้นะทำไมไม่ได้ว่าผููตามปรบาจารย์แต่ก็แต่ก็เห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่ก็คือปฏิปัฐานเนี่ยมันช่วยทําให้อรมิมัชทั้งแปดองค์มันมันสมบูรณ์ไดนะ้มันไม่ใช่เพียงแค่การมีสติรู้สึกตัวนะเท่านั้นแต่มันเรียกว่ามันทําให้องค์มัช องค์อมันมั น, มนสมบูรขึ้นไปด้วยเนยเพราะทุกครั้งที่ที่มีสติคำพูดหรือว่าการธรรมก็ไม่ทำผิดนะแล้วก็เป็นการจระทำที่ถูกแล้วมันครั้งทำให้เรารู้เท่าทันจิตใจอคุณรลเกิดขึ้นก็สามารถรับอคุณรลได้อุศลเกิดขึ้นก็สามารถทำให้กุศลเกิดขึ้นได้บ่อย ห, นะหรือแม้แต่จิตใจที่เป็นสมาธิ มันก็เห็นนะว่าไม่จะเป็นชานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ก็แล้วแต่นะมันก็ประกอบด้วยฝ่ายตุดผลทั้งนั้นแต่ฝ่ายตุดผลบางตัวถ้าเรามีสติมันก็จะรักได้ไม่ปิดจิตปิติเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันก็จะเป็นติดปิติความสุขเกิดขึ้นถ้าเรารู้ไม่เท่าทันก็จะไปติดที่ความสุขมันสามารถรักความพอใจและความไม่พอใจ ในทุกในสุกออกเสดไดนะ้สุดท้ายก็เรียกว่ามีสติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มีอุเบกขาคิวนะเบกขาแล้วแลอยู่อุเบกขาคือการวางเผยการปล่อยวางเฉยแบบรู้นะไม่ใช่เผยแบบไม่รู้รู้ว่าอันนี้คือความเป็นปกติรู้ว่านี่คือสุขรู้ว่านี่คือทุกข์กขไม่เข้าไปเขี่ยข้องนะไม่เข้าไปเรียกว่าไปหลงทาง มันก็้ายๆเรารู้เหมือนเราจะเดินทางมาที่นี่นะเราดูว่าถนนหรือว่าทางเดินมันคือตรงไหนรู้ว่าสองข้างทางมันมีหญ้าเป็นดินไม่ควรเป็นเดินนะมันก็รู้ว่าทางเป็นนะั้นแหละการรู้แบบอุเบกขาการมีสติรู้อยู่เนะี่ยก็เป็นการรู้แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นอย่างอื่นไม่รู้อย่างอืง่นแต่มันรู้ว่าทางที่ควรคืออะไรทางที่ไม่ควรคืออะไรนะ การมีสตินี่เป็นเรื่องที่ที่สําคัญมากนะมันจะทําให้อริยมรรคทั้งแปดองค์นี้เจริญคกบงามขึ้นไปก้อมกกันนะแล้วก็เป็นการปรับปรับความสมดุลของของอริยมรรคด้วยนะบางคนอาจจะเรียกว่าอาศัยแค่ความเพียรอย่างเดียวนะมันก็ยังไม่พอนะแต่มันต้องเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยสติสตแล้วก็ปัญญาด้วย คนคิดว่าจะทําความเพียรหามรุ่งถามคําจะเอากําตันตายเนี่เป็นหลักก็ยังไม่ใช่นะไอ้จริงความเพียรที่แค่จิ้มเรื่องของจิตจิตที่วางใจพอดีในทางที่จะรับเอาสุดสนจิตที่วางใจพอดีในทางที่จะทําให้สุดสนมุ่งครอบคูนเพิ่มขึ้นไปหรือแม้แต่ความคิดความเห็นนะความคิดความเห็นจะเป็นความเห็นเรื่องของทุกความเห็น่การดับทุก อันนี้ก็เป็นการปรับที่ความคิดความเห็นนะไม่ใช่ปรับที่อย่าอื่นเลยการที่จะปรับตรงนี้ได้นะมันก็ต้องเรียกว่าต้องเห็นจริงๆเห็นจริงๆว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนความทุกข์ไม่เคยเกิดขึ้นกับที่ไทยคนในคนหนึ่งแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นจะถือมั่นตัวเองก็ทําทให้เป็นทุกข์ก็เรื่มเกิดเองจะถือมั่นกัวอื่น เขาเพิ่ออมความทุกข์จากความสิ้นสิด้วยถ้าจะว่าจริงๆว่าโดยย่อก็คือขทัศน์หาของเราเนี่ยคือตัวทุกข์มันทุกข์จริงๆนะกายใจมันทุกข์จริงๆแต่บาีเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันทุกข์จริงๆบางครั้งรู้สึกว่ามันทุกข์บางครั้งรู้สึกว่ามันเฉยๆหรือบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุกข์เรื่แต่ถ้าเราเห็นว่าแม้แต่เฉยๆในความเฉยๆมันก็มีความทุกข์อยู่ เรามตื่นขึ้นมาตอนเชา้าอาจจะรู้สึกว่ า, ามันจะปี้กระเป่าสดชื่นหรือว่ามันเฉ ย, ยอยู่แต่สภาพมันก็แสดงว่าสภาพมันต้องทุกข์ให้เห็นนะนั่งส่วดมนต์วับนบัสตอนนั่งอันแรกมันก็ ย, นยังเฉยๆมยังไม่ทุกแต่นั่งไปนานๆก็เห็นว่าความูกเปลี่ยนไปนั้นให้เห็นว่าแม้ในความเฉยมันก็มีความทุกข์ล่ออยู่ในนั้นแม้ในความสุขในความสบาย ความสุตอญญนอยู่ในนั้นเปรียบเหมือนกับข้าวที่เราหุงเสร็จใหมนะ่ๆนมันน่ากินน่าทานกินได้แต่ในควา ม, วามหาูความเน่าความเสียมันก็ตอญญนอยู่ใน กาเนกิวยหรือว่าการเกิดสำคัญว่าสำคัญเป็นความรับผิดาอบสำคัญด้วยความที่ไม่ ที่ตรวจสอบก็เนี่ยจิตใจของเราเนี่แหละจิตใจถ้าทาไปแล้วมันยึดมั่นหรือมั่นมันสําคัญหมายแล้วนามาเพิ่มความรุ้ก็แปลว่าเออมันผิดทางนะนะแต่ถ้าจิตใจมีความรู้มีปัญญาเออรู้เท่าทันการยึดมั่นถือมั่นสามารถปล่อยวางการยึดมั่นถรือมั่นได้หรือว่ามีปัญญาในการที่จะเราจะใช้มันตามเหตุตามปัจจัยต่างๆนะมันก็นําพาเราเออทาแบบไม่ยึดนะ หรือว่าเดินแบบไม่ได้จิตนะก็เดินไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยทำไปเรื่อยอาศัยอาศัยรูปแบบบ้างอาศัยส่วนประกอบต่างๆบ้างมาต็ดองประกอบในการเดินทางเท่านัา้นแต่ไม่ยึดจิตในอะไรทนะี่นั้นจิตใจมันจะเป็นเรียกว่ามีความโล่งความโปร่งความเบาความสบายนะแล้วก็มันมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยนะมันไม่ใช่แค่ประกอบด้วยจุดผลเท่านั้น ม, มันมีปัญญาด้วย ไม่แต่ความโล่งความโกกความเบามันก็ยังเป็นยาที่จะไม่เข้าไปยึดมันเหมืนกันแต่ถ้าเราไม่งเป็นยารู้เท่าทันไม่งมีสติรู้เท่าทันนะเราก็จะไปยึดความโล่งความโกกความเบาความสงบอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้มันคงนานๆยึดไว้ว่าฉันโล่งฉันโกรกฉันเบาบางทีฉันยึดไว้ว่าฉันรู้อันนี้ก็เรีกว่าก็เป็นกับดักที่มันล่อที่มันชวนให้เราหลงเช่นเดียวกันอันนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่พอพูดให้พวกเราอธิบายในบางสว่วนบางมุมให้พวกเราได้ฟังเนาะแต่จริงจริงสิต่างๆเหล่ า, านี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดมากซึ่งมุมต่างๆที่เขาสแสดงตัวตนให้เราเห็นนะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆสัมผัสได้จแต่า ก, การปฏิบัตินี่แหลนะการให้อ่านการให้ฟังก็เป็นเพียงแค่ใช้ลายลืย่นต้นเฉยแต่สิ่งที่สําคัญสุด เราเดินทางแล้วก็เราประสบกับหนทางตรงนี้เองมันถึงจะประจักษ์แจ้งว่าอ๋อทางตรงนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะมันไม่สามารถอธิบายได้โดยคําพูดทั้งหมดอะนะแต่มันจะสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตที่กําลังเดินทางอยู่จิตถ้ากำลังเดินทางอยู่มันก็จะรู้เลยว่ามันเดินผูกทางอยู่เพราะว่า ม, มันจะรู้สึกเหมือนเป็นมาเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆแต่ก่อนเรา ทุกข์ร้อนเรารู้สึกไม่สบายกาจไม่สบายใจเลยเหมือนคล้ายๆเราอยู่ใกล้ๆกองไฟอยู่ใกล้กองไฟแล้วมันร้อนรนะ้อนเป็นบางทีถ้าเราไม่มีวิธีที่จะออกจากความร้อนน่ะก็จะต้องทนร้อนอ ย, อย่างนั้นนะแต่พอเรารู้ว่า เ, ออเราค่อยๆห่อ ย, อย่างพองจากความร้อนมากเทนะ่าไหร่น่ะจิตมันก็จะสังเกตได้เองว่าเออความทุกข์ความร้อนนะความหนุงมันค่อยๆห่างไปจากจิตจใจ มากขึ้นเรื่อยๆแม้มันยังรู้ว่ามันยังมีความร้อนยังมีความหลงอยู่แต่มันก็สัมผัสได้ว่ามันค่อยๆเบาบางลงไปเรื่อยๆครันนี้แหละให้เอาจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวเปิดต่อว่าคําทุกความหลงมันเรียกว่ามันต่างออกไปมากหรือเปล่าหรือว่ามันตกลงไปได้เร็วหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความหลงแต่มันห่างหรือว่ามันลดน้อยลงหรือเปล่าหรือว่า มันสั้นนะมันเบาไปด้วยเปล่าให้เราจิตใจของเราเนี้ยเป็นตัวตรวจสอบนะแล้วอย่างเราจะทำผัดเลยว่าอ๋อคนทางตรงนี้ยมันสามารถเดินได้นะแล้วตัวตรวจสอบหรือว่าอย่างที่ท่นมาพูดเ ม, นะมื่อวานนี้บางทีอาจจะอื <c oughs> มีทางแยกหรือว่ามีทางที่เราเพื่ให้สงสัยอะไรที่จะทําให้เรารู้ว่าไอคนจะเดินทางไหนให้เอาความรู้สึกตัวเนี่ย กลับมารู้สึกตัวก่อนจะสงสัยจะอะไรก็ไล้เออกลับมารู้สึกตัวก่อนความรู้สึกตัวมันจะเหมือนเป็นมันจะเป็นเซนส์ที่บอกทางว่าควรจะไปทางไหนต่อนะมันจะไม่สงสัยบางทีไม่ต้องถามก็ได้แต่มันจะพอเรากลับมารู้สึกตัวมือนเหมือนคล้ายตั้งดักมาจับทิศจับทางถูกแล้วก็อ่อพอกลับมารู้สึกตัวนะเมื่อนั้นโอ้ความสงสัยก็หายไปความทุกข์ก็หายไป มันก็กำลังเดินถูกทางเนาะเดินไปเลยนะแค่กลับมารู้สึกตัวให้ได้ดบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจมาบ่อยๆนะมันจะทําให้เราเดินถูกทางนะมันจะเป็นเหมือนเข็มคิดที่คอยบอกทางเดินสู่ความสุขของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกตัวได้ตลอดเวลามันจะเรียกว่ามัเป็นการรวมอริมาร์คทั้งแปดองค์เราพร้อมกันเข้หมานะนะแต่มันเป็น มันยังเป็นแค่ขั้นการเดินทางนะมันยังเป็นแค่อริยมรรคแต่ตราบใดที่เราจเจริญมากๆ ม, ม, มันถึงจะเป็นอริยผลนะก็คือเกิดผลนะแต่ที่จริงผลมันก็เกิดขึ้นอยู่ทุกขนาดนะแต่เราก็อาจจะไม่ต้องไปคาดหวังก็ได้ว่าผลมันจะต้องเป็นขั้นนั้นขั้นนี้นะเป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบานันเป็นอนาคามเป็นพระอรหันต์อาจจะไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปใส่ใจ มันมากก็ได้เพราะบางทีการใส่ใจที่เป้าหมายมากเกินไปการไปคาดหวังผลมากเกินไปมันทําให้เรียกว่าเป็นอุปสรรคที่สําคัญมากๆเป็นอุปสรรคที่คล้ายๆมันทําให้เราเล่าร้อนร้อนก็อยากจะได้ร้อนก็อยากจะรู้ร้อนก็อยากจะเป็นการอยากได้อยากรู้อยากเป็นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติธรรมามาก ถ้าเรายังไม่รละยังไม่ลดยังไม่ได้อาการตรงนี้นะมันจะรู้สึกเลยว่าเรายังไม่ดีเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่มีเมื่อต่อคนอื่นการรู้สึกแบบนี้แหละมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์อย่างมากเพราะตรงนี้มันคือความอยากมันคือปัญหามันคืออวิชชาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เดี๋ยวต้องรู้เท่าทันตรงนี้นะแล้วก็รักแล้วก็วางง่ายๆแม้มันยังมี ก็ขอให้วางให้ได้บ่อยๆนะวางความอยากาว า, า, กางการอยากได้วางผลที่ต้องที่ปรารถนาเนะ่ยใหเรารู้สอดสกันธ์เนยแล้วขณะที่เราวางได้ก็จะกำลังเลยว<ม>่าเออมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะเออมันก็ถูกทางแล้วนะเนี่ยทางระลีมัสมีนเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็อยากให้พวเราทุกค น, นใด้พยายาม จ, จะเดินจะเดินตามเส้นนี้กันอย่าให้ทางเส้นนี้มันลอก ล้างล้างเป่าจากผู้คนนะึกษาได้เจอมาเป็นมนุษย์ศึกษาได้พบเขาพุทธศาสนาปุษาได้ฟังคําสอนของเราพุทธเจ้าไล้พระสาวกต่างๆนะหรือว่าศึกษามีปัญญาในการพิจารณาเห็นชีวิตมันมีทุกข์ต่างๆมากมายแล้วนะก็อย่ากให้พวกเราได้เดินทางออกจากความทุกข์กันทุกคนนะพยายามทำความเพียดกัน ให้มากที่สุดทำทั้งเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรง น, นี้แล้วก็เวลาที่เรากลับไปที่บ้านที่ทํางานอยู่ที่ไหนไหนถนนทางตะลาดก็เป็นทางอริมักเหมือนกันนะถ้าเราเดินเต็มนะที่ไหนไหนก็สามารถเดินตัวอริมักได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่ทางจำปูนไม่ใช่แค่ที่นั่งสมาธินะแต่ทุกที่ถ้ามีสติรู้สึกตัวอริมักก็จะเดินประปูลพร้อมเลยนะ ก็่างทีเราได้พยายามทําตรงนี้ให้เป็นงานที่สําคัญของชีวิตเนาะชีวิตเรามีงานที่ฐ่านเข้ามาในชีวิตมากมายทําสําเร็จมาได้ในชีวิตก็หลางานหลายโครงการหลายหน้าที่ก็ทําสําเร็จกันมาเยอะแยะแล้วนะใหญ่โปรเจกต์สำเร็จกันมาเยอะแล้วเราจะเพิ่มงานที่เรียกว่าที่สําคัญแต่บางคนอาจจะคิดว่าไม่เร่งด่วน แต่มาอยากให้เราเปลี่ยนว่าถ้าจะเป็นงานที่สําคัญแล้วก็เร่ดงด่วนนี่นะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกวันเวลาที่เราจะมีชีวิตในโลกนี้มันเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมถ้าเราวาคิดว่ามันมันยังมีอีกมากนะเราก็จะเน้นช้าที่ๆผัดบันประกันสุขตข้อทางหมูแต่ถ้าเราเห็นว่ามัน เ, เป็นงานที่สําคัญแล้วก็เร่ดงดนะ่วนก็น่าจะมาโฟกัสในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด แม้ยังมีเวลาเหลืออีกหลายสิบปีแต่ถ้าเราทำวันนี้ให้มันจบถ้ามันเสร็จก่อนนะเวลาเราก็จะมีเวลาว่างสบายนะเป็นเวลาที่เป็นกำไรของชีวิต น, นะ ม, มันดีกว่าปล่อยให้เรียกว่าปล่อยให้มันยังไม่เสร็จปล่อยให้มันค้างคาในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเนะก็ อ, อยากให้เอาตรงนี้แหละไป ใ, ใช้เรื่อง ก, การใช้จิต ในการงานไม่ใช่เป็นการเบียดบางเวลาการทาการทาํทา ง, งานเลยนะมันจะเป็นการเพิ่มฟูลประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้นเพราะว่าพอเราทําด้วยจิตใจที่โปร่งที่โล่งสบายนะมันจะทําให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพใช้ชีวิตใชชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างที่เราไม่ทุกข์เรีว่าถ้าเราเอางานทำมัเอาจิตในการฝึกจิตนะเป็น เป็นกิตหลักในการใช้ชีวิตกิตอื่นๆที่เป็นกิตรองในการทําหน้าที่การงานในการสัมพันธ์กับผู้คนมันก็จะเรียกว่าไม่นํามาพึาง่งความรู้แต่มันจะรู้ว่าเออมันควรจะสัมพันธ์อย่างไรมันถึงจะพอะพอควรพอสมอะไร้มันก็มันก็จะมีสติที่จะคอยเตือนคอยบอกโดยนะการวางใจวางใจต่างๆเนาะก็ให้เราไปใช้ จะได้เรียกว่าเกียรติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบของดีที่สุดที่เรียกว่ามันสว่างไสวอยู่ในโลกใบนี้เนระโลกใบนี้นะมัถ้าเป็นช่วงยกที่ไม่มีพุทธเจ้ามาสัตย์สรู้นะมันเหมือนมันเหมือนช่วงกลางคืนเลยมันช่วงกลางคืนมันมีความมืดแต่พอมีพระพุทธเจ้าทมาสัตย์สรู้มันเหมือนที่พระจันทร์มาฉายแสงสว่างไสวอยู่ เราก็ต้องใช้โ อ, อกาสในช่วงที่มีปัจจันส ว, าว่างสวัยตรนี้เป็นตัวส่องทางให้ออกจากความทุกข์นได้แต่โลกมันมันมืดมายาวนานแล้วต่อไปมันก็อาจจะม่ืดอถ้าไม่มีคนเดินทางเป็นี้นมันก็จะไม่ืดไปถ้าเราไม่ัะสมปัญญาพอที่จะเป็นพระปัเกหรือพเจ้าเพื่อที่จะมาตัดรู้เองนะเราอาจจะสะสมปัญญาเพียงแค่ระดับสาวกภูมิต้องมีคนชี้ทางบอกทางต้องมีคน คุยทางก่อนเราก็ต้องรีบคนไข้ไปก่อนนะริบคนไข้ไปก่อนก่อนที่โลกมันจะตับน้เมื่ออยู่นะก่อนที่จะไม่เห็นมีคนทางในการเดิ น, นคนทางมันยังมีอยู่แต่มันไม่มีแสงสว่างมาที่ทางมาบอกทางในเหตุเท่านั้ น, นตอนนี้มีคนชี้ทางคนบอกทางก็พยายามเล็กระเลยเป็นไปก่อ น, นแต่ต่อเมื่อถ้าเราเดินได้แล้วรู้ทางชันแล้วไม่จําเป็นต้องมีคนบอกก็ได้เพราเราเห็นคนทางในตัวของเราเอง พอสามารถที่ว่าปลอดไขถึงืติดหมายไข่ทางได้เนาะมันก็ฝากเขาเอาไว้เหมือนกันค